เก้าสิบเจ็ดความดับจึงจะมีได้แท้จริงทวนทั้งพบสามสมบูรณ์ต้องแม่นยำให้ดีนะว่าพีชานิยามไม่มีโอลาลิกอาตาและมะโนมะยะาตาเพราะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจะมีก็แต่อรูปาตาเห็นไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้า จึงต้องให้ปฏิบัติเรียนรู้ลดละกิเลสในขณะมีกายพร้อมองประชุมของรูปกับนามหรือในขณะมีสัมผัสสามเช่นต้องมีตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงและอื่นๆจึงจะเกิดวิญญาณหรือจิตให้เราเรียนรู้ของจริงที่เป็นโอราริกาตา เมื่อผู้ใดสามารถดับกิเลสในภพที่มีสัมผัสภายนอกได้สำเร็จแข็งแรงก็สามารถอยู่เหนือภาวะนั้นได้แน่แท้ทั้งภายนอกและภายในก็จบกิจเด็ดขาดจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายไปก็ไม่มีอาัตตาแน่ๆอนัตตายจริงๆ แต่ถ้าผู้ที่ไม่เรียนรู้โอราริกัตาในขณะมีชีวิตอยู่เมื่อไม่ได้ปฏิบตัติก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าตนจบกิจในการกำจัดโอราลิกอัตาอย่างเป็นของจริงของเราหรืออย่างเพราะไม่ได้สัมผัสจริงไม่ได้ฝึกจริง และไม่เคยรู้ผลว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าจึงไม่มีปัญญาอันยิ่งเต็มสภาพที่รู้ยิ่งทั้งภายนอกและภายในยว่ามาโนโมยะอาจาที่เราสาเร็จในจิตนั้นมันเป็นปัญญาภายนอกด้วยหรือมีแค่สัญญาภายในยเท่านั้น เพราะตนไม่มีปัญญาที่เป็นปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติครบมีองค์ธรรมหกคือปัญญาปัญญิีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพธิ์ชงสามมาทิฏฐิมครคคังคังพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258 ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในมหาจัตตารีสกสูตรอินสี่ห้าของปัญญาก็ไม่มีพระห้าจึงไม่มีเด็ดขาดเพราะไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัติมีสัมผัสวิโมกข์ด้วยกายหรือได้ปฏิบัติจารณะ15ที่มีโพธิ ป, ปักขียธรรม37บริบูอรุบอย่างแท้จริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไาวา้ให้ปฏิบัติจึงไม่เกิดปัญญาในตนก็มีแต่สัญญาเท่านั้นที่ตนได้ปฏิบัติเนื่องจากทิฏฐิไม่สามาจึงฝึกอยู่แต่สัญญาที่มีทิฏฐิวิปลาดยึดอยู่อย่างเดิมอย่างเดิมทิฏฐิไม่ได้เห็นใหม่ไม่ได้เข้าใจใหม่ จึงไม่ได้รู้ยิ่งของใหม่ภาวะใหม่ไม่ได้เกิดเพราะไม่ได้ปฏิบตัติไม่ได้สัมผัสของจริงจิตจึงวิปลาสอยู่ตามเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจึงตายไปแล้วก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าการมีสัญญาที่กำหนดรู้ของตนนั้นมันเป็นปัญญาหรือเป็นสัญญา ภพที่เรากําลังเป็นอยู่ขณะนั้นแยกไม่ออกว่าเป็นกามาวจรหรือรูปาวจรเพราะไม่ได้ปฏิบัติในขณะมีกามาวจรภูมิจริงและได้ดับอัตตาไปสิ้นแล้วในขณะที่อยู่ในกามภพมาแล้วตนจึงยังอวิชชาอยู่ยังหลงภพอยู่แน่นอน ส่วนผู้ที่ได้ฝึกมาจริงและได้มักผลมาจริงจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในอาการของจิตว่าตนมีการมราคะในจิตไหมมีรูปรคาคะในจิตไหมหรือยังมีอรูปราคาในจิตไหมก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสามภพแน่